ธรรมชาดกแผ่นที่ห้าลำดับที่ย5ห้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอนธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16สิงหาคม2546มีชื่อเรื่องว่าวาสนาไม่มี นี้ตั้งแต่ลงพอมาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีเลยปีนี้ผิด ป, ปกติฝนมาตกบนบปฝนตกบ่ไหลตั้งแต่ปีนี้มาน้าม่าท่านเครึ่งฟังสักเถือเลยห่วยห่วยล่างเขาเลยแต่ว่ามันกระลองห่วยอยู่หรอกวะหน้ามัร้องห่วยอยู่แต่บกเครึ่งฟังมาอยู่นี่เป็นเมื่อไรเป็นปีที่ยี่สิบเอ็ดเลยปีปีนี้รู้รึกว่าแหงแรงกว่าทุกปีที่ผ่นานๆมา เดือนสิงหาแล้วฝนยังมาท่านเล่งสักเถื่อนกนไปยังว่ามือเศร้านี่ไปบินระบาดยังบอกมันผู้ญิ บ, บานวาตีขอวางในน้าวไอ้หนุกตีขอมันเลยจับฉลากมันแม่แรงยกกับผู้ใดอ้นมันชงใส่สิมแม่แรงยกกับผู้ใดคหนึ่นงยนะกฉลากคนหนึเดดป็นยังไงการผ้ใกฉลากจับถือถึงสามเาื่อบาดีพูดนะเอาไปวัดมัดไว้ไก่ๆคน่ เอาไปชงมองน้ามถ่วงคนนะ่ะมองในหน้ํามถ่วมไปว่าไปไวัพุ่นมานะให้มันแล้งอยู่พุ่นมนออกไป <c oughs> เป็นในกระทั่งมุกดาหารไปพุ่นนะแย่แล้วนี่แหละลงพอเปลาบุญวัดสนามบาลมีเลยมันมีอิหลีได้ขั้นปีใดเข่าละข้าแพ่งเศได้เฮ็ดหน้าให้มันได้เข่าขายพัดฝนแล้งซะทังสี่แล้วมันไปเยาว่ามันบ่มีบุญมนเอกไปขั้นคำว่าปีใด เขาละค่าถือผลผลดีหมดลงไปเขาโพดขึ้นกันท่านปีใดละค่าดีเขาโพดผดแหล่งเขาโพดพน่านถ่วมเงท่านปีใดราค่าเขาโพดมันขึ้นเออมันมีอันเป็นไปหมดลงไปคณาว่าปีใดเขาโพดมันถือเขาโพดผลลายโพดปลูกได้ง่ายหมดลงไป น, นี่แหละพลว่าบุญวัดาสนาบารมีเนี่ยมันตางกันเหลวงปู่จิงท่องพันยังบอกเป็นนิทานให้ฟังสองผัวเมียเนี่ยพิสกันทะเลาะกันอยู่เรื่อยว่าเนี่ยสองผัวเมียทะเลาะกันจนลูกขัดเที่ยวดาอยู่หัวเฮือนจนล่ำข้านกันไปผัมีลูกเด้กผูเมียก็ตีผัวผู้ัวก็ตีเมียกันไปไอ้ผัวเมียเนี่ยกูยุ่น้ำมักฮ่าเนี่ยนะพลว่า กันอ ย, อยู่น้ำผู้อื่นแต่งานกับผู้อื่นกูกษิตลุยกูนี่อยู่คนวะอันนี้มันกูอยู่ระมืองมันยังทุกข์ยังยากคนวะทั้งผู้ผัวของยูต้งอีห้าเนี่ยแหละคนวะการเนอยู่กับผู้อื่นก็ทำไมไม่ให้ไม่นาให้กูเฮ็ดจุดออกนวะเอาบาเทียงกันวนออกไปจนลูกค้าเที่ยวดายงหัเขื่อนล่องข้านอนออกไปกูสีซอยจังนะไอ้ซอยคู่เหนือกษิตลุ่ยมันเจ้าเทียงกันนะฉันเดนีลูกค้าเที่ยวดารักษาจอมปลวกอยู่หลังบ้านคนไป เลยไปหาใดหาเงินหายเงินหายทองมนาไปเนี่แต่ว่าสองคนนี่ขั้นมือได้มือนึงกับไปหาแรนมือนึงกัไปหาเตาเาไปไปหาเตาหาแรนมาแหลกเข่าเอาไปเอีคือกันครับไท่ขามหาเอาหาเข่าหาอยังมาแหลกน้ำผู้ไทสมัยก่อนเอาไปไปหาเตาหาแรนเมาแหลกเข่ากินเอาไป วันน้เที่ยวดาก็เลยว่ามันคือนจิมืออื่นมันค็จะไปหาเตาบ้างหรอเพื่อเลยเอาไหเงินไหท่องไปไหว้างทางกันไปเราไปตั้งไหวจุกปลุกมันกัไปไปมึงจะได้เห็นมันจะได้เปิดเพิงมันสะได้เอาเงินเอาท่องเม้ามึงจะได้ขายอยู่ในขอบครัวมันก็จะเศร้าจมเศ้าวายกันนั่นลูกค้าเที่ยวด่ามาบ้านห้ามอนนั่น มือนั้นกั๊บบวหาเตา่ไหมไปหาแร่นผลเหลวขึ้นทนั้นฝ่าคนคนบ่มีวาดาสนาไปแล้วคือหาเอคุณยา ง, งากายเสยวนะลูกค้าเที่ยวด่าโว้กูสิเอาจังไหนนอนเลยใส่เหมืออมามาื่นมาบ้ามันขึ้นจังเหลวข่นฝ้าดูแท้เลบักเหนียวเธอเลยไปไปแขนสงาไหม่ไว้บ้านหาท่ามืองอื่นมาผลปกะูสู้กูสู้รมก้มจนยังได้ดินวันน่งไปได้โบกีเหลวขึ้นฝ้าจักเถื่ออีกว่ไปเออเอาไปมากอรบ่ไห โ่เห็นให้ใหเงิ น, ใ ห, งนให้เงินให้ทองอะไรอีกกนหนึ่งไปวันนี้ลูกค้าเที่ยวราก็เลยแปลงตัวเป็นคนมาะนะบ้านเลยบ้านนี่ก็เลยบอกว่าเจ้าจากได้เงินจกได้ท่องมาโอ้ยก็จะได้อะไรมันถูกมันยา ก, กรอกระเดียอนะไรเอา้าคอยจะให้นานาเก่งเจ้าเลยนี่นาเก่งเจ้าก่อนเจ้าที่ยิ่งเจ้าต้องอธิษฐานชวนวาวนาเอาจะไหยสาธุเตอร์บุญบารมีของขับไปเจ้ามี อะไรกัให้ลูกน า, ายิ่งขึ้นทั้งฟ้าเนี่ยตกลงมาอใส่แผนให้แผนหน้ากันเอท่องค right ําเงินท <oh ่องเต็มให้เต็มทงเต็มเท้าเอาเถอะเนี่ยแค่มาตกใส่น้องไงเงื่นท่องตกเต็มหนองเต็มบึงเต็มหนองมาเถอะเนีให้ตั้งจิตอธิษฐานเจ้าก้อนยังคอยิ่งขึ้นฟ้าเอาเถอะเนี่บาสนี้กับสองโพเมียพระโก็ได้หนาเก่งกับไปแล้วนะไปกับของมองท่องกว้างบปแล้วนะไปทงหน้าขงกว้างเลย ตัง้งคิดอธิษฐานนะอาถุเดออะไรเนี่ยคันผู้ขามีบุญวาสนาบาลมียิ่งหนาเก่งคือตั้งฝ่าลูกตกมาใหันเต็มตกใส่ให้ ห, ห้เงื่อนท่องเต็มให้เต็มทงเต็มหน้าเด้อ่นวพอบอธิฐานเฉยิ่งหนาเก่งปักขึ้นไปทั้งฝ่าพอตกมาลวลีลีลตกปักมาตกไปตีไปถือกีบมากระบกทงว่าผมือ น, นี่นเราเนี่หัใจที่ตกีบมากระบกตกปักเสียพัน น, นไป เล่ดิเงื่อนทอนันแล้วน่ะไปเนี่ยว่าคนบ่มีวาดช น, นะเอาแล้ไปเฮ็ดยังไงเอมันก็บกขืนบกเกิดวะน่ะไปคนบ่มีบุญมานะี่ไอ้คนรรมีบุญเฮ็ดนั้นจับไปยังมันขืนมัดเด็ทํามาค่าขายยังก็บขืนจับยังก็เป็นเงินเป็นท่องเออมีท่างไปได้วะน่ะไปไอ้คนบ่มีวัดชนะเนี่ยปิดตันอันตัวน่ะไปเฮ็ดนั้นก็บกขืนบกเกินพ เ, เพราะเหตุใดเพราะบกเคยทําบุญไว้ในอดีตชาติคนมา คนที่ทำบุญไว้อดีชัดเนี่ยเรื่อยส้างบุญกุศลไว้นี่ยมันเป็นมันไปวะน้ะงย้าไปยังเมื่อกี้พ่อเป็นพ่อไปไปได้วะน้องไปอันนี้ทงสิทธท่านเพราะว่าบคุคคลประมาทใจใจของคนนี่ยมองบาเห็นแต่มันมิลิดบังคับให้ร่างกายเห็นยังก็ได้บุญกุศลคือกันมองบาเห็นแต่มันมิลิด ทานหุ่ภาพบันรนบันดาลในข้นมีนนความสุขความทุกข์กใดเพราะนั้นเพิ่งยังให้สร้างบุญกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเขา้าปัญญาประมาทว่าสิ่งเราหนั้นบมีมันมีอะไรลงไปคนเกิดมามันบกคื่อกันเพราเหตุใดเพรกรันผู้มืน่นเขากับเบิ้งอยู่แล้วการเป็นอยู่การคิดกันกระทํามันกระโ บ, บคื่อกันเพราะนั้นเกิดมาพบนาชาติหนาใจให้คือกันมันบกคือกันเน้ ต่างกันอยู่เอาเบิงเป็นยังคนมากเกิดในเมืองไทยเนี่ยหาหกสิบล้านเนี่ยจับมาเลี่ยงกันมุนงะมันคือกันบ่มันบ่คืบกันเุนงคไปคือกันมัดทุกอย่างยกแขงขาตีนมืดนาตาครบมัดแต่มันบ่คืบกันแต่ค่อยค่ายๆกันนะมีอยูนเอาไปบางที่ลูกแฝดจริงๆก็คือกันอยู่ลูกแฝดจริงิเป็นตั้งจิตอธิษฐานเคดอย่างคือเป็นเฮดน้ากันนอนไปทําบุญก็ทําบุญน้ากันคิดกับคิดให้ ให้แนวมีแนวคิดเดียวกันเนี่ยมาเกิดมันก็เลยคืดๆกันเดียวไปแตนอกจากการตั้งคนต่างเกิดเาี่ากอยู่ด้ลูกพ่อแม่เดียวกันก็บบคืดกันอบอลล้อมมาเดียวกันก็บบคืดกันเพราะเหตุใดเพราะความคิดของคนมันคนละคิดคนละยางกันการกระทำเหมืคนละยางกันการพูดกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมการกระทํนนาทั้งกายว่าใจาใจก็ตัางกัน เพราะนั้นยมันงต่างกันวันไปเกิดมากกับต่างกันการเป็นอยู่กับต่างกันการข้องชีบบอนบุญวัดสนามบาลมีก็ต่างกันเพราะนั้นพวกเฮาอย่าไปเหตุเลยทนะั้งแนวท่านมันบดีนะเหตุแต่แนวมันดีเกิดพบนายชาตินา ม, นมันมีได้โมเมนบ์พบนี่ชาตินี้ได้มือว่านไหนมีบอลมือว่านมอก่อนมีบอมือนีมีบอมืออื่นมือฮือมีบอล มือเอื้นมือหื้อมีบอมีอ่มันมีจังไหนมันบอทันหอดหน่อยเนี่ยมันบอหอดมาก็มีนี่อันนี้ขึ้กันอันนี้ชาติเท่ามีบอมีประชารปัจจุบันมีบออนาคตชาติเท่าได้มีบอมีมัมีเหี้ยจังไหนเนี่ยมีเนี่พราตายจากชาติเนี่ยเไปเกิดอีกคนไปในชาตินามันมีเลยวิ่นย่านขึ้นใจนี่ยนะภาพไปเกิดมันไปพรนั่นกรรมดีกรรมชั่วกับภาพใจต้องตัดไปเกิดผู้ได้สร้างบุญไว้กับบุญ เป็นผูนุนเปรย์ทำชั่วเป็นชั่วหนุนนไปเพราะนั้นต้งสางบุญ บ, รนบนาบรมีไปกันบุษงบารมีก็นไปกันกันกับสองผัวเมียน่เกิดมา้านอะไรกันทุกยากเที่ยงกันผัวเมียกันตีผัวผัว ก, ก, ว ก, กตีเมียบ้าทแทมคุ้นคนมีวาสนาทังครูเน่ไปคนมีวาดาสนาเนี่ยมันึงกันข้ น, นอยี่ยนะเอารับพรนะบ้า่ไ้เนี่อามโนตนหายพร